ตามการตามเวลาเป็นมงคล เ, เรีว่าธรมรมสวัสมีการแสดงธรรมตามการตามเวลาก็เป็นมงคลเรียกว่าธรมรมเทศนาหม่เป็นจิริยาที่เกิดอุนเกิดความดีเรามีชีวิต มีรูปมีนามเราม่อยู่เรามีแผ่นดินอยู่อาศัยในแผ่นดินนี้ก็มีสิ่งที่เป็นโทษสิ่งที่เป็นประโยชน์ในรูปในนามก็มีทุก็มีโท ษ, โทษสิ่งที่มีโทษก็มีสิ่งที่มีประโยชน์ก็มีเป็นวัตถุอาการที่เกิดขึ้น ได้ชีวิตของเราคือรูปธรรมดามธรรมนี่คือรูปคือดามมองให้แตกฉานออกไปอย่ามองเป็นกายเป็นใจถ้ามองเห็นเป็นกายเป็นใจมันคับแคบมันจนมันจนต่อทุกอย่าง ที่มันเกิดกับกายกับใจมันจะมักเป็นตัวเป็นตนได้ง่ายจึงมีสติพัฒนาเหมือนแผ่นดินนี้ก็ต้องมีการพัฒนาเช่นสิ่งที่เกิดขึ้นกับแผ่นดินมีมากแต่มันกินไม่ได้ สิ่งที่กินได้ต้องรักษาเช่นข้าวต้องรักษาต้องพัฒนาถ้าไม่รักษามัก็หมดสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเหล่านี้กับรูปกันามบางอย่างก็รักษาที่เหมืนใช่ได้ แต่ไม่รักษาก็หมดเดี๋ยวนี้สิ่งเวทล้องที่เกิดอยู่กบเป็นดินมันก็หมดไปคนไม่ตกต้องทำฤดูกาลราะคนไปเกี่ยวข้องไม่ถูกน้มแห้งทั่วโลกโลคร้อนเพิ่มขึ้น อาหารขาดแคลนขึ้นมันต้องเกี่ยวกับเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดการขาดแคลนไปอยู่มูลนิธิบินทบาทแต่ก่อนม่คนใส่สิบคนเดี๋ยวนี้ลดลงครึ่งหนึ่งมีคนใส่บาทห้าคนแสดแรงว่า นั้นก็กหมดลงสิ่งที่สิ่งที่ใช้ได้ก็หมดลงมันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะธรรมชาติถูกทำลายอาหารลดลงจากโลกปีนี้ถึงป่านนี้ก็ยังไม่ได้ทำนาทำไร่กัน ประเทศไทยเจ็ดสิบกว่าจังหวัดกระทบ ก, กับความแห้งแล้งทั่วทั่วไปแต่พวกเรานี่ก็มีเฮ่นหวหัวบ้านท่าไฟหวานสีหมู่บ้านขาดน้ำน้ำเคยใช้ก็เป็นโถนเป็นตมไปแล้วต้องมาใช้น้ำบ่อที่วัดภูขอทอง แต่ดีหน่อยหนึ่งือฝนตกลงมาบ้างพอมีน้ำฝนน้ำใช่ก็ยังมีน้ำลำบะเทาเือดลำบะเทาอ่าเรื่องของลูกของน้ำนี่ก็เช่นกันบางอย่างก็จะหมดไปถ้าเราไม่รักษา มัก็มีอย่างที่เรามาศึกษานี่มีสติจิตเป็นจริงรักษาพัฒนารูปนามรักษาให้มันใช่ได้อันนี้ไม่เกี่ยวกับความแห้งความแรงความแรงก็คือไม่มีความเพียรเกิดขึ้นจากตัวคนเดง ถ้าเรามีความภาคเพียรขยันรู้ก็มีผลกุญเจ้าเปรียบเหมือนกับน้ำฝนเปลี่ยนลความชั่วเพียรทําความดีเนีเหมือนกับน้ำฝนมีศรัทธาเหมือนกับมีเนื้อนาให้มีศรัทธาต่อความดีมีศรัทธาละความชั่วแล้วก็มีอยู่กับเรานี่เรามีสติก็เห็น เห็นหลงเห็นรู้พัฒนาซะให้มันรู้จากความหลงให้เป็นความรู้มันทำได้อย่างนี้หรือว่าปลูกปลูกสติหรือว่าปลูกโนโพธิให้มันเกิดขึ้นมาจะไม่อดไว่อยาก ก็ไม่อดไม่อยากจากการงานทำแบบนี้มันก็เหนือการ เ, เกิดแก่เจ็บตายไม่เหมือนการทํานาดได้ข้าวหมายกินอันนั้นก็ยังแกย่ยังเก็บยังตายอยู่เราก็มาทําแบบนี้กันคู่ไปกับกันรักษาโลกคือแผ่นดินอากาศถ้าเราตั้งต้นจากนี้มันก็ดีไปเอง แนดินก็ดีไปเองขอเขียนเขเขียนไว้ที่หลงทานป่าดีน้ำดีดิดีอยู่ที่ไหนป่าดีน้ำดีอยู่ที่คนคนดีอยู่ที่ไหนคนดีต้องอยู่ที่เหล่านี้ขี้มาหาเหล่านี้ถ้าเราเป็นคนดีพัฒนาแล้วก็ดีไปเองถ้าเราไม่พัฒนารูปนามให้มันดี คนอื่นก็ไม่ดีเดือดร้อนเห็นเจอตัวไม่มีเมตตากุณาเดือดร้อนกันไปเราไม่ได้ตัดไมาทำลายป่าเราก็เดือดอร้อนเพราะคนไม่ดีเไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ได้มีสารพิษลงเสยแผ่นดินใน น, น, น้าน้าก็เน่า เราก็เหมือนผลกระโทษเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเราจึงมาตั้งต้นจากเนี่ยเหตุมันเกิดอยู่ที่รูพี่น้ำนี่มานับหนึ่งจากตัวเราเนี่ยเปลี่ยนหลงเป็นรู้ไปเรื่อยๆไปก้มหลงก็พาใายเกิดทุกข์เกิดโทษ ไปไกลเหมือนกันตกนรกปกไว้เป็นเปรต เ, เป็นสุรกายเป็นสัตว์นรกขมงรู้สึกตัวก็พัฒนาไปถึงมรรคถึงผลก็ดีไปหลายอย่างเลยจึงว่าเริ่มต้นที่นี่คือชีวิตของของคนหนึ่งนับหนึ่งจากตัวเราไปก่อน ถ้าเปลี่ยนหลงเป็นรูก็เรียกว่าเป็นบุญข้ำมจวนโลกได้ถ้าทุกคนมีความรู้ละชั่วทำดีมีความรู้ ก, ก็ละชั่วทาดีแล้วถ้ามีความหลง ก, ก็ทำชั่วชิดชั่วผู้ชั่วได้ต้นตอมันอยู่ที่นี่เหตุมันเกิดอยู่ที่นี่ก็เราจะมาทำที่นี่กัน มาอยู่แบบนี้กันไม่ใช่ไม่ใช่โทษทิ้งการงานเราก็ไม่ทำให้เคยเดือดร้อนเนี่ยก็เลยอย่างน้อยเราก็ต้องเป็นลูกทุ่มถ่วงโลกไม่หมุนกี่เข้าไปสู่ความหมายช น, นะไม่ทำอะไรให้มันเชียหายบูดีกอะไรก็จริงเสพปิดไม่มี ไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นชิงเืินวัตถุอื่นอยู่ด้วยกันไม่ชาะวิวาทกับใครล้วก็เริ่มต้นจากนี้ไปได้มันติดให้มันเกิดจุดคนคนหนึ่งหรือ ว, ว่าศาสนาเจริญก็ได้ศาสนาคือคนคนที่เหมือนเป็นคนดีแล้วความชั่วมีสติ แล้วคนมีแล้วความชั่วทําความดีมีสติก็เจริญาศาสนาคือคนเจริญไม่ใช่าศาสนาคือวัตถุสิ่งของวัตถุสิ่งของที่มันจะเจริญเพราะอยู่ที่คนแล้วคนไม่เจริญวัตถุสิ่งของก็ไม่มีประโยชน์าศาสนาเจริญคือคนมีศีลมีธรรมแล้วความชั่วทําความดี เราจึงมาทำตรงนี้การไม่ไมใช่ไล่เหตุผลไล่สาระอะไรท้ำที่มันเป็นจริงสาระที่สุดสัมผัส ด, ดูเอาก็เห็นรูปเห็นนามร <c oughs> ูปทำนามทำก็เกิดอยู่กับเรานี่เราจะใช่อย่างไงมีสิทธิมันหลงเราไม่สติไม่หลง มันอยู่กับเราไม่ต้องไม่ต้องเกี่ยวกับบุคคลที่หนึ่งที่สองนัเกิดกับลูกกบนานี้เราก็เห็นเราก็ทำได้ปฏิบัติได้เนี่ยแล้วก็เป็นงานอยู่เนี่ยไม่ใช่ไม่มีงานเราให้มีเฉพาะหน้าเราให้โอกาสเจอกัน แม่เราจะมีอะไรที่ทําอยู่ร่วมกันก็เป็ น, เ ป, นเป็นการช่วยช่วยตัวเองและช่วยคนอื่นไปในตัวโต๊ะบงอาหารก็บงอาหารผู้หุงข้าวก็หุงข้าวผู้ะล่างถ้วยล่ยางชามก็ล่างช่วยล่ยางชาม กูที่ปฏิบัติก็ปฏิบัติกันไปก็เป็นก็มันก็เป็นอย่างนี้ เ, เรากินข้าวคำว่ากินข้าวพูดง่ายแต่มันต้องมีข้าวกินมีที่ใส่มีที่รองรับถ้ามันมีภาชนะก็ต้องเป็นมือเราเนี่ใสปฏิเสธไม่ได้ มือเราไปใส่อาหารเหมือนนักปวดในอินเดียเขาไม่มีภาชนะอะไรไปหาขอข้าวกินเบมือเขาก็ใส่มือให้เอามือเป็นภาชนะพอได้ก็เอาเข้าปากในคำสองคำไม่เหมาะสม คนที่ทานให้เขาใส่มือ่าเมือเขาใส่ปากเหมือนกับป้อนลกูกมันป้อนลูกก็ยังยังไม่คันป้อนกันแล้วก็ยังอันนี้มันเจ้าของเอามาใส่ปากได้พออยู่ได้ก็ไปมันเหวขึ้นมาขออีก ไินคนให้กินก็มีกินไม่มีคนให้ก็ไม่มีกินนอนหิวอดหยากแล้วก็ยังมีแบบนี้นักปวดแบบนี้ในอินเดียยังมีอยู่ถ้าก็ไม่นุ่งเอาหน้าหนาวหน้าร้อนเอาคิดเท่าเกลียกเอป้องกันร้อนพองกันหนาวพองกันเลือบชงุง เหมือนควอยเปียกขี่โคนต้องการเหลือบจวงกัดไม่ได้เขาผลไปทั้งตวัวก็อยู่ได้เห็นเท่าจนแจอั น, นี่เราไม่เราไม่ทำแบบนั้นแล้วก็ทำพอพอมันสะดวกในการทำความดี นำความดีต้องสะดวกพอสมควรการสะดวกที่เกิดขึ้นกน็เราก็ช่วยกันคนอื่นช่วยเราเราช่วยคนอื่นแต่เราช่วยแต่เราเคือมันหลงเราให้มันรู้อันนี้ปฏิเจติไม่ได้ใครก็ช่วยเราไม่ได้เปลี่ยนเบื้องแรกก้าวแรกคือเปลี่ยนหลงเป็นรู้ ก็ลูล่ยไปก็เรียกว่าพัฒนาถ้าหลงก็หาย น, นะมัฒนังวัฒนะทำใม้เจริญหายนะคือความเสื่อมมันก็เกิดขึ้นที่เราเนี่ยเราจงมีงานมีการทำแบบนี้ทุกเวลาทากนาที คนเจก็นอนปฏิบัตินอนรู้นอนเล่าความชั่วนอนทําความดีก็ได้มันเกิด อ, อยู่ที่รูปที่นามนี่รูปนามคือกายคือใจถ้ากายถ้าใจมันไม่แตกฉานถ้าเห็นรูปเห็นนามมันแตกฉานถ้ากายก็เป็นร้อนคือกูหนาวคือกูหิวคือกูก็เห็นเป็นรูปก็เป็นอาการไม่ใช่กู ความร้อนความหนาวความเหิวความปวดความเมื่อยเป็นอาการไม่ใช่กูไม่ใช่ตัวตนมันก็ง่ายกว่ากันมันไม่เครื่องทุนแรงได้หลักฐานมันเป็นหลักฐานที่ฟ้องตัวตนให้หมดปอยมันมิจชทืทิฏฐิถ้ามองอะไรเป็นกูเนี่ยถ้ามองอะไรเป็นดาการมันสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้น ง่ายๆเหมือนเครื่องต้นแรงยกของหนักให้มันเบาขึ้นมาถ้าเห็นเป็นกูมันหนัก้เห็นเปัญหาการมันเบาเรียว่าเห็นโชคมันก็เห็นอย่างนั้นจริงๆเป็นกูไม่ได้เป็นนาการในถูกที่สุดเบาบถ้าเห็นเป็กูมันหนักกูร้อนกูหนาวกูสุกกูทุกข์มันหนัก อเห็นเป็นการมันเบาเบาเบาเบาแล้วก็เป็นความถูกต้องสัมผัสเอาดูถ้าเราจะหาเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ได้เป็นการสัมผัสเียกว่าดวงตาเห็นธรรมมันต่างกันอยู่ดวงตาเลยบอกว่าให้เห็นอย่าเป็นเนี่ย การเห็นมันอันหนึ่งการเป็นเป็นอันหนึ่งการเป็นคือตัวตนการเห็นนอกตัวตนไปไม่มีตัวไม่ตนให้เห็นอย่างนี้สติม่จะเกิดความเห็นแบบนี้เห็นเราไม่เป็นแบบนี้หรือว่ามรรคผลเกิดแล้วสุเห็นมันสุไม่เป็นผู้สุเป็นมรรคเป็นผลอยู่ในตัวเฉิดมองอะไรเป็นมรรคเป็นผล มันทุกข์เนมันทุกข์เป็นเป็นผู้ทุกข์เนี่ยมันมาพร้อมกันเป็ดมากเป็นผลมาพร้อมกันเหมือนคนโบรานของลูกเคยว่าให้ฟังเออน้องเออลูกแกี่ยวมากเก่วผลพัฒนาตนทั้งกายทั้งใจ ว่าพี่เมืองน้องมีแต่พี่แต่น้องพองดองกันไปพัฒนากายพัฒนามีใช้เป็นฉกทุกประการพัฒนากายใจถึงมักผลนิพพานเอ้ยเออน้องเจ้ามากักเจ้าผลของลูกก็เป็นนิพพานพัฒนากาใจถึงมักผลนิพพานปัฒนามีใช้เป็นุขทุกประการ ใช้ชนะมันหลงเปนความรู้หรืชนะไม่หลงเป็นความรู้มันก็เป็นสุขสมทุกประการแต่งันอะไรก็รู้ไปอย่างนี้อย่าไปเสียอย่าไปพลาดมันมาพร้อมกันอยอมหลงเป็นเนพานความโกรธเป็นิพปานความทุกข์เป็นเนพานสังขารเป็นเนพาน ความเกิดเป็นไม่เกิดความเจ็เป็นไม่เจ็ความเจ็บเป็นไม่เจ็บความต า, ายเป็นไม่ตายมาเป็นคู่แบบนี้แล้วก็เห็นแบบนี้มันเห็นแบบนี้ระหว่าทางต่างคือความเดินไปไม่ใช่เอาขาเดินมันไปไหวจากค่าศึกแบบนี้มันก็สนุก ม่นมียฉิงดใดจะสนุกเท่ากับเปลี่ยนหลงเป็นรูปเปลี่ยนทุกเป็นไมทุกมันถูกที่สุดถูกต้องที่สุดมันมีคุณมีค่าที่สุดมีชีวิตชีวาที่สุดมก็ตัวเรานี่เป็นมีสมบัติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติได้ทุกกรณีไม่จนเรื่องนี้ ถ้าเราไม่มีวิธีปฏิบัติมันก็จนมากมืดแปดด้านหลงทิศหลงทางชีวิตก็ยุ่งเหยิงเรื่องอการงานสับสนยุ่งเหยิงไม่เป็นชิ้นเป็นอันถ้าเราทำแบบนี้ก็เป็นระเบียบ เป็นระเบียบชีวิตเป็นระเบียบมีวิไนนำไปเป็นระเบียบดูง่ายหายรูปอะไรก็เห็นเป็นรูปทำนามธรรมยิ่งเห็นเป็นรูปทำนามธรรมก็เห็นเห็นเห็นเห็นชัดเจนมันรูปมันทำอะไรนามมันทำอะไรทำทอมทำมันทําดีหรือมันทําชั่ว ลูปมันทำนา ม, มันทำมันก็ไม่ผ่านตาคือสติเป็นดวงตาหน้ารอบอยู่แต่ลูปมันทำดีถ้านา ม, มันทำดีก็เป็นผลดีถ้าลูปมันทำชั่วนา ม, มันทำชั่วก็เป็นผลชั่ว จัดโลกจมไปๆไปไปตามกรรมคือการกระทําแบบนี้เรียกว่ารูปทำนามทำที่นี่กรรมาฐานมันจะสอนตรงนี้รูปทำนามทำมันจะตัดกรรมที่ไม่ดีการกระทําเป็นเป็นกรรมไม่ทําอะไรรูปเนี่ยมันจะทําอะไรนามเนี่ย แล้วก็ตัดเถี่ยต้นโตของมันแล้วตัดเป็นตัดกรรมมืนก็อิเลตกรรมไม่บากวัตตาสงสารนักเกิดอยู่ที่นี่วัตตาสงสารเวียนไหวใจเกิดอยู่ที่นี่อยู่ที่รูปทำนามทำนี่อันทำอันลาย เอ้ยามาให้ฟังหลายข้างหลายหนเช่นคนสูุรีเพสูกมันจึงติดเพราะติดมันจึงอยากเพราอยากมันยังสูบเพราะสูบมันยังติดเพราะติดมันจึงอยากคนกินเล่าเพราะเพรินเล่ามันยังติดเพติดมันจึงอยากพรอยากมันยงกินกรมมันอยู่ตรงไหนเราวัดตะมันหมุนหมุนเวียนอยู่นี่ เราเคยทุกข์กี่รอบเราเคยโกรธกี่รอบเราเคยหลงกี่รอบมันเป็นวัฏตะตรงนี้เพราะมันลูกทำนามทำไปใช่เหมือนผิดให้ลูกไปทำให้นามไปทำอะไรแล้วก็ไม่ทำซะไม่คิดซะมันเคยหลงไม่หล ง, ลงเอารูปไปใส่ แล้วก็ทำแบบนี้ราลูบทำแล้วก็ถูกตัดออกไปตัดเป็นตัดับออกไปแม่มีกิเลสพันห้า 8, ตัณหาร้อยแบบตัดตรงนี้ง่ายๆไม่คิดไม่คิดไม่พูดไม่ทำมีแต่สติอย่างนี้เรียกวัดตัด ตัดเพราะไปทําเพราะไปสูบก็ไม่ติดเพราะไม่ติดก็ไม่สูบเพราะไปสูบก็ไม่ติดเพราะไม่ติดก็ไม่อยากเพราะไปหยากก็ไม่สูบเพราะไปสูบก็ไม่ติดเพราะไม่ติดก็ไปอยากนั่นก็กลับมาอย่างนี้เลยว่านุโหลมปฏิโลมเหมือนกับปะฏิจจสาโมปบาทเวียนไปปะทักสินเวียนขวาออกจาก โลรคเวียนไายไปหาการเกิดเจ็บเจ็บตายเหมือนเราประทักษิณลมพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปสถูปใจดีเวียนไปทางขวาจ่ ว, ว่าออกดีจากวัฏฏะก็ไม่สูกก็ไม่ติดก็ไม่ติดขมย่ า, า, อ, ยาอะไรก็ี่มันเป็นกิเลสพันห้าฐานร้อยแปดก็เวียนไปทางนี้ ถ้าเวียนทางซ้ายก็เวียนทางเกิเจ็บเจ็บตายเช่นไปเผาศพก็ต้องเวียนซ้ายเพราะจะต้องตายเพระต้องเผากันแล้วการเวียนขวาือไม่สุขเพราะไม่สุขก็ไม่ติดเพราะไม่ติดก็ไม่อยากเพราะอยากเพราะอยากก็สุขเพราะสุขจึงติดเพราะติดอยากมนเวียนซ้ายเวียนไปหาของกิเล็ตัณหาหลักะโทสามโมหะ เกแก่เจ็บตายนี่มันก็อยู่กับเราการกระทำแบบนี้หรอือรูปทำน้ํำทำอันธรรมอันหนึ่งคือธรรมชาติธรรมชาตินาในชื่อตัวชื่อตนธรรมชาติมันล้นไปธรรมชาติตัวขนแสงแดดมันล้นธรรมชาติเป็นเช่นนั่นเอง ตัวละองฝนมันหนาวคือธรรมชาติเป็นเช่นนั่นเองอาหารขาดจากหลอมไส้กับเพาะมันหิวเป็นธรรมชาติเป็นเช่นนั่นเองไม่ใช่ออกมาเป็นจบเป็นทุกข์อันนั้นเป็นธรรมชาติไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราให้เห็นอย่างนี้แล้วว่า วิปันะันาวิคือวิเศษในนานำไปนำไปสู่การวิเศษแล้ว <c oughs> เห็นอย่างนี้เรียกว่ามรควิถีชีวิตมรคือทางไปอย่างนี้ในชีวิตเหล่านี้มีทางถ้าไม่อดดูก็ไม่เห็นเราจะไปหาความหลงเวียนว่ายตายเกิด มันโกรธกี่ครั้งมันหลงกี่ครั้งมันทุกข์กี่ครั้งมันรักกี่ครั้งมันจริงหมายมันเป็นอาการมันเป็นอารมณ์อารมณ์วาใช้ชีวิตมันเป็นอันจอดบารอาคันทุกะมันจอดบาอาศัยเราต้อนรับมันก็อยู่กับเราความหลงก็อยู่กับเราความโกรธอยู่กับเราความทุกข์อยู่กับเราเราต้อนรับนึกว่ากูซะ โดยกูได้โกรธตายก็ไม่เลิมไปต้อนรับขนาดนั้นพอใจในความโกรธพอใจในความดุหน้าบวชนะเบิ่งอยู่หาช่างฉี่คออยู่โบราณถ้ว่า ไ, ไปเมืองบนเห็นคนขี่ช่างไปเมืองล่างเห็นช่างฉี่คนคนขี่ช่างคือไปเมืองบนมนุษย์ใจสูงไปสู ง, สง มันเห็นถ้าเห็นเนี่ไปสูงถ้าเป็นละไปทางต่ําเมืองล่างคือวันต่ําชางก็ขี่เอาซะความหลงฉี่คอเอาความโกรธขี่คอเอาความทุกข์ขี่คอไปนักถ้าลาหาเวบรรจักขันธ์ขาขันทั้งห้าเป็นของหนักขันทั้งห้าคือไปยึดไว้ว่าเป็นเรา ลูกก็เป็นเราเวทนาเป็นตัวเราสัญญาเป็นตัวเราสังขารเป็นตัวเราวิญญาณเป็นตัวเราไปติดอะไรมาไปติดอะไรมาเป็นตัวเราอูอะไรม า, รม า, น, ร า, รมานี่ใช่แบบไหน ล, ลักฐานเฉลตโทศาสเฉลตปองหาเฉลตไปติดมาจากที่ไหนเมื่อไหร่ไปหลงเมืไรดินพ่อขังหมูมานานแล้ว อะไรออกหน้าออกตาตัวหลวงออกหน้าพอเห็นนั่นไหรก็พอใจไม่พอใจมันออกหน้าควาพอใจกวาไม่พอใจมันออกหน้าตาตาเห็นรูปก็พอใจไม่พอใจถ้าหูดีเหนเสียงก็พอใจไม่พอใจจ้าหมกได้จีนก็พอใจไม่พอใจลิ้นในรถก็พอใจไม่พอใจ กายสัมปัตต์เพอใจไม่พอใจเวลาจิตใจอารมณ์บางกระทบจิตใจก็พอใจไม่พอใจแล้จึงมีสติอาญานุปจนนาให้สติให้ความเพียนเครื่องขอจิเล็ดใหสมฉะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกเสียได้ประตูแรกเลย เก้าแรกเลยเจอเรื่องนี้เข้าไปถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกเสียได้อาตาปิสัมฌานุสติมามีสติแล้วแหละอยู่นั่นไม่มีใครไปเียดเรื่องนี้ได้ถ้าเราเห็นถ้าเรามีสติถ้ามีสติมักจะมองเห็นถ้าหลงก็มองไม่เห็นมืดมืดเป็นกรรดำดํา จะวางเป็นก ร, รมขาวมีสองอันเนี่ยทำดำทำขาวจงละทำดำเสียแล้วเจริญทำขาวจงมาถึงที่ไม่มีน้ำจากที่มีน้ำได้ยินไหมเคยได้สวดพระสูตรนี่ไหมเอาไปสวดทำไมเห็นทำดำไห ม, ไมเห็นทำขาวไหม ดำดำคือหลงทำขาวคือรู้เห็นไหมไเปลี่ยนหลงเป็นรู้ซะ<ไ>ทำดำมามันหลงอ่ะเป็นทำดำํามันรู้เป็นทำขาวมันโกรธเป็นทำดำําความรู้เห็นความโกรธเป็นทำขาวมันมีอยู่ที่นี่ที่รูปที่นามนี่เรียกวัตถุอาการที่มันเกิดขึ้นมันมีจริงๆไม่มีใครไปเสด กระแผ่นดินมีแผ่นดินรถมีสิ่งที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินนี้น่อยหยองมันมีรูปกับมีสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่นี้อย่างนอกก้อยกต้องมีขันาาธ์ธาตุจีที่เพให้เกิดรูอะไรเรียกว่าวิญญาณาธาตุรูอะไรได้ตติวิาธาตุคือมันเป็นของเช่นแข็ง มีผมผลเล็บันหนังเนื้อกระดูกเรื่องไหนกระดูกม้ามหัวใจตับไตปวดใช้ใหญ่ใช้ด้อยหันใหม่หันเก่านี่เป็นดินลมพัดขึ้นเมืงบนลมพัดลมบางต่าลมในท้องลมในใช้ลมพัดไปตามตัวลมหายใหญ่เขาออกนี่เป็นลมไปผอมอาหารน้อยไปทําร่างกายอบอุ่นไปให้ขนกวาดวายนี่เป็นไฟ น้ำก็คือดีเฉลตหนองเลือดเนื้อน้ำ ม, มันไขคนเปลวมันไขมันเป็นน้ำไปชมกันเข้ารู้วค น, นมันก็เป็นอย่างนี้มีวิญญาณมาลู่อะไรได้วิญญาณธาตุลู่อะไรได้มีทั้งหกธาตุเนี่ยดินน้ํามลมไฟอากาศธาตุวิญญาณธาตุ อากาศธาตุช่องว่างมีในกายมันมีช่องว่างมีในกายลมไปตามตัวลมในท้องลมในช่าเลือดเส้นลมเส้นเลือดวิ่งไปวิ่งมาอยู่เนี่ยมันมีช่องว่างลมไปขึ้นบ้างบนลมพึ่งลมเบ้งตำ่ำาหายใจเข้าออกลมพัดไปตามตัว มันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวเชื่อตนจอ้ัตรทธาตุธรมชาติไม่ใช่ตัวเ ช, วชวื่อจจ ต, ต, ต, ต, ต, ตนเห็นอย่างนี้ก็เห็นเห็นธรรมเหมือนกันตรงตาเห็นธรรมไม่ใช่ตาเนื้อเป็นตาในคือสติสัมผญะเป็นตาเป็นหน้าโลก ลุนขึ้นมามาดูกายเคลื่อนไหวไปมาเจตนาที่จะเห็นอย่าบอดมันเป็นในตาบอดให้เห็นมันมีตาดีเห็นไหมเห็นกายเห็นรูปเห็นนามเนี่ยเห็นมันหลงเห็นมันรู้มีอยู่ในรูปในนามเนี่เป็นอย่างนี้จริงจริงหรือว่าสูตรว่ราสูตร พระอวิธรรมพระวิไนและเบียบก็อยู่ที่นี่วิัยมีระเบียบที่นี่พระวิธรรมมีหลักสูตรเป็นหมวดเป็นหมู่ความหลงเป็นอกุศลไปทางหนึ่งความรู้เป็นกุศลไปทางหนึ่งรู้สูตรเป็นสูตรไปถึงนี่มีถึงนี้ก็มีถึงนี้มีถึงนี้มีไปถ้าสูตรถึงนี้ไม่มีถึงนี้ก็ไม่มี ไปแบบเนี้ยเรียกว่าเป็นสูตรพระสูตรพระวิธรรมธรรมคือมันมีอย่างเนี้ธรรมคือธรรมชาติอามีอยู่กูธรรมที่เป็นความดีก็เรียกว่ากุศลมีอยู่ธรรมที่เป็นความชั่วหรือว่ากุศลก็มีอยู่อิระบุญว่าบาปถ้าบุญก็คือสุขถ้าบาปคือทุกข์มีอยู่ นี่ว่าธรรมกุศลเรอกุศลโกรธก็มีไม่โกรธก็มีอยู่เป็นธรรมเป็นพระสูตรตยอยู่ในรูปในนามเนี่ยตู้พระไตรปิดกนั่งโคโมโ ค, คิเมเนีเ่ยนี่ว่าตู้พระไตรปิดกอออ่าสมควรใจเวลากาบพระอมกัน